กับบูชาพระรัตนตรัย <c oughs> กับบูชาครูบาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์ยกกิพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตเพื่อนสาตมิกเจริญพรมายังแมช่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ ตนวันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันอังคารที่4สิงหาคมนะพุทธศักราช2558นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันทำวัดสดมนนะซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของพวกเราชาววัดตาสุกโตการที่เรามาทำวัดสดมนจะเป็นตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีเนี่ย นะเหมือนกับเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะนี่ก็เป็นการที่เราได้สวดได้สาธยายถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะนี่ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็การที่เรามีใจจดจอ่อนะอยู่กับบทสวดมนตนะ์ก็ถือว่าเป็นการฝึกสมาธนะิไปพร้อมกัน นะมีสติมีสมาธิไปพร้อมกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะของการที่เรามาทำวัดนะสวดมนต์กันนะนอกจากนั้นเราก็ยังจะได้เรียนรู้ศึกษาข้อธรรมต่างๆนะที่มีอยู่ในบทสวดมนตนะ์ซึ่งวันนี้ก็ได้กล่าวถึงบทพืนะ่ เพื่อชะ ม, มงคลจริงๆอันนี้มาจากาในพระไตยปิฎกนะก็คือกสิสูตรนะเป็นสูตรที่ว่าด้วยการทานานะของพระพุทธเจ้านะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้เล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งทีนี้นอกจากการที่เราได้มาศึกษานะธรรมะหัวข้อธรรมต่างๆแล้ว เราก็จะได้นาเอาหัวข้อทำเหล่าเนี้ยไปปฏิบัติการศึียนหสิกขาของพุทธศาสนานี้ไม่ใช่การเรียนแค่ส่งจาและเอาไปพูดไปคุยแต่หมายถึงว่าเราจำแล้วเราเอาไปปฏิบัติเอาไปกระทำนะถ้าเราจำเราท่องจำได้เราพูดคุยได้แต่เราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลนะเรียกว่า ไม่ได้รับผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังนะเอาไปทดลองมาไปปฏิบัตินะจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรนะที่ว่าเป็นประสบะการณ์อันะนี้ก็เป็นประโยชน์นะของการทําวัดสดมนนะนอกจากนั้นเนี่ยการที่เราได้มาสาธยายมนทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสมอง ให้จดจำนะํำก็เรียกว่าเป็นการบริหารสมองไปด้วยนะคนที่สวดมนต์บ่อยๆเป็นประจําเนี่ยจะไม่ค่อยหลงลืมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะสังเกตตัวเราได้บางทีเราสวดไปนะเราเผลอไปนะเราจําไม่ได้เออเรากนะ็กลับมานะจดจําได้ น, นี่ก็ถือว่าเป็นการบริหารสมองอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นนี้เป็นประโยชน์นะของการที่เรามาทําวัดสวดมนต์ จะเป็นตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีนะโดยเฉพาะตอนเช้าเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือเรียกว่าปลุกให้ตัวเองตื่นนะแทนที่เราจะนอนหลับสบายอยู่กับกุตติที่นอนนะโดยเฉพาะคนในเมืองอาจจะไม่คุ้นนะตื่นตีสามนะมาทำวัดตีสี่นะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเรียกว่าขัดเกลาวตัวเอง นะไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ความสะดวกสบายนะกับการหลับการนอนนะคนที่ยินดีในการหลับการนอนมากเนี่ยนะก็จะทำให้ เ, เสื่อนมะเสื่อมจากคุณธรรมซึ่งนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะของธรรมที่ทำให้เสื่อนมะซึ่งตรงนี้กเ็เป็นสิ่งที่เราได้ปลุกตัวเองให้ตื่นแล้วก็พยายามที่จะสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึม นะความขี้เกียจขี้ค้านนะมาร่วมกันและการที่เรามาทำวัดร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นกิจวัตรร่วมกันนะเป็นน้ำแห่งใจเดียวกันนะเป็นความสมัครสมัครความสมัครสมานสามคัคคนะีที่บอกว่าความสามัคคีของหมู่คณะนะก็นำความสุขมาให้นะ ก, ก็มีก ร, รมพุทธศาสนาสุภาษิตเพราะนั้นการที่เรามาร่วมกัน นาไหว้พระสวดมนต์ทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์นะทั้งในส่วนตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์ในส่วนรวมอานะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับประโยชน์อันนี้นในส่วนของข้อธรรมนะที่เราได้นะจากการมาสาธยายมนต์นะอย่าง น, น้อยๆก็ทำให้รู้ว่าการที่เรามาบวชก็ดีการที่เรามาอยู่วัดก็ดี นะเป้าหมายของการมาที่นี่นะเรามาเพื่ออะไรนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเราได้จากบทสวดมนต์แล้วนะว่าการประพฤติปฏิบัตนะิเพื่อออกจากทุกนะเพื่อให้พ้นจากความทุกขนะความทุกขนะที่เกิดขึ้นนะก็คือความทุกในจิตในใจนะซึ่งมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เผชิญกับความทุกจริงนะเราก็ ไม่สามารถหาทางออกได้โดยเฉพาะในช่วงในช่วงนี้นะ่เป็นช่วงเข้าบรรษานะซึ่งเป็นช่วงที่เราได้มารวมตัวกันนะมาอยู่จำบรรษาร่วมกันสามเดือนบรรยากาศโดยรอบนะก็เป็นช่วงที่มีฝนฟ้าตกนะชุ่มฉ่าจากดินที่แตกระแหงนะแล้วก็ใบไม้ที่เหี่ยวแห้งนะร่วงโรย นี่ก็เมื่อได้ฝนนะตกลงมาทำให้พื้นดินชุ่มฉ่ำนะต้นไม้ใบไม้ก็ผลิดอกออกผลออกมานะมีกลิ่นดอกไม้อ่ อ, อนๆออนะแล้วก็ใบไม้เขียวกะจีสภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ย <c oughs> นะก็เป็นความอุดมสมบูรณ์นะเป็นความเจริญความงอกงามของธรรมชาติเปรียบเทียบเหมือนกับตัวเรา นะใจิตใจของเราเนี่ยนะอาจจะเคยเหี่ยวแห้งนะห่อยเหี่ยวหมอยเงา ว, าเวนะเนื่องจากความที่เร า, เาไม่รูนะ้ไม่รู้เท่ารู้ทันกับสิ่งเหล่านี้นะก็ทำให้บางครั้งบางเวลาเนี่ยใจิตใจเราก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวโฉเยี่วเฉาเหามือนใบไม้เหมือนกันเหมือนต้นไม้เหมือนกัน ทีนี้นเราจะทำยังไงนะให้จิตใจเราชุ่มชื่นนะจิตใจเรางอกงามขึ้นมานะมีความโปร่งโล่งขึ้นมานะตรงนีนะ้ก็ต้องอาศัยนะคุณธรรมหรื อ, อธรรมะต่างๆนะซึ่งตะกี้นี้เราได้สาธยายมนนะัะสิสูตรนะหรือพื้ชมงคลนะเริ่มต้นด้วยเอาศรัทธาเป็นพื้นนานะหรือเป็นเนื้อนา นะแล้วก็อาศัยน้ำฝนนะัก็คือความเพียรเนีนะ่ยมีความเพียรความพยายามในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะตามหลักหรือตามคำสอนนะของพระพุทธเจ้านะของครูบาอาจารย์นะที่ท่านได้แนะได้นำนะตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนพระอ า, า, นะาจารย์ไพศาลนะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนะเราได้ยินได้ฟังแล้วนะเราน้อมนำเอามาปฏิบัติโดยเพราะยังยิ่งสิ่งเริ่มต้นก็คือต้องมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่ทําให้ออกจากทุกข์ได้จริงๆนะซึ่งตรง น, นี้เนี่ยนะบางคนก็อาจจะยังไม่เชื่อนะสมัยก่อนจะมาก็ยังไม่เชื่อนะขณะปฏิบัติทำก็ยังไม่เชื่อนะ แลนะ้ต่อมามาปฏิบัติได้มาเห็นนะการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารยนะ์จะเป็นหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคาเขียนก็ดีนะแล้วเราก็น้อมนะําเอาสิ่งที่ท่านพูดเนะี่ยมาทดลองมาปฏิบัตินะมันก็ทําให้ความศรัทธาที่เรามีเนี่ยแต่แรกๆเราก็มีความเชื่อตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาหรือว่าพ่อแม่ปลูกฝังมานะให้ไหว้พระสดมนต์ ด้านนั้นก็เป็นความศรัทธาที่มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่มันยังเป็นศรัทธาที่ยังไม่หนักแน่นไม่มั่นคงแต่เมื่อเรานาเอามาประพฤติปฏิบัติเราได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราได้เห็นการคลายทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจมันก็เลยทำให้ศรัทธาที่เรามีน่ามีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาเออมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องที่ทาได้เป็นเรื่องที่ไม่เกินวิสัย ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนวิเศษไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพิจิเจ้าเป็นเรื่องของบาราญเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะที่เมื่อมีความทุกข์สามารถที่จะออกจากทุกข์ได้แต่การออกจากทุกข์นั้นเราจะไปหวังผลว่าแม่มจะหายทันทีนะมันก็หายไปทีละนิดทีละหน่อยนะอย่างน้อยๆนะก็ทาใหเรามองเห็นทิศเห็นทางบ้างนะมองเห็น แสงที่ปลายอุโมงค์บ้างนะหลังจากที่มันมืดมิดมาคำว่า ม, มืดมิดในที่นี้เนี่ยนะก็คือใจิตใจเนี่ยนะมันมืดบอดนาะมืดบอดต่อ <c oughs> อารมณนะ์ต่อความคิด <c oughs> ต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นมนะีไม่มากนักหรอกนะที่จะมาเห็นสิ่งเหล่านี้และคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติ นะไม่ได้มาเจริญสติไม่ได้มาฝึกกรรมฐานจะมองไม่เห็นเขาก็จะไม่รู้สึกว่ามันทุกข์อะไรชีวิต ม, มันก็สบายๆนะโดยเฉพาะ ย, ายิ่งเรามาอยู่วัดป่าสุกโตนี้ยิ่งสบายเลยนะอาหารการกินก็สมบูรณ์นะที่อยู่อาศัยก็เงียบสงบเย็นสบายนะไม่ร้อนเกินไปนะตรงนี้มันจะทำให้เราเพลินทำให้เราสบายทำให้เรานิ่งนอนใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะจะทาให้เรา ไม่กระตือรือร้นนะในการที่จะฝึกฝนปฏิบัติขัดเกลารตัวเองนะบางคนนะมาก็ตั้งใจนะที่จะมาฝึกมาปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่นะบางคนอาจจะมาตามเพื่อนชวนบ้างอาจจะมาตามที่คนเขาบอกว่าที่วัดป่าสุขโตมันดีอย่างนั้นบ้างนะหรือบางคนอาจจะมาเพราะว่ า, าทําตามประเพณี นาะบวชตามประเพณีนะหรือบวชก่อนเบียดนะะนี่ก็มีเหมือนกันนะบวชก่อนเบียดนะก็คือมาบวชอย่างนั้นแหละนะมาอยู่วัดอย่างนั้นแหละนะคือไม่มีการขัดเกลาไม่มีการฝึกฝนนะปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปอนะย่างน่าเสียดายนะเอาเวลาไปทำอะไรนะเอาเวลาไปพูดไปคุยไปคุกคลีกันนะ ไปเหนื่อยทำการทางานซะจนไม่มีเวลาที่จะมาฝึกปฏิบัตินะตรงนี้ก็เลยทำให้เราเสียโอกาสเสียเวลาไปนะความศรัทธาที่เรามีในเบื้องต้นก่อนที่จะมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะบางทีมันก็มอดไหมไปนะมันไม่เป็นศรัทธาที่ลุกโพงขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ลงมือปฏิบัติกันเสียทีนะไม่มีความเพียร น, นะไม่ได้ฝึกสตินะไม่ได้ฝึกเจริญสติ นะปัญญามันก็ไม่เกิดปัญญาที่ว่านี้มันไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกนะมันเป็นญาที่เป็นปัญญาที่รู้นะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนะที่เป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดความทุกขนะ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความแยบคายในการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติเราแค่อ่านเราแค่จําเราแค่ท่องเนี่ยมันไม่ได้เกิดผล แต่มันน่าจะมีความเชื่อมีความศรัทธานะแต่มันไม่หนักแน่นหรอกนะซึ่งตรงนี้ตัวผมนิยตมาเองนะก็เคยมีประสบะการณ์ตรงนี้ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือธรรมะมีหนังสืออะไรดีๆชอบอ่านอ่านแล้วก็มีความศรัทธามีความเชื่อแต่ว่าเรากย็ยังไม่ลงมือปฏิบัติเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเรารู้มากนะแล้วเราก็คิดว่าเออนะ่ะ เรารู้แล้วเรียกว่าหลงในในความรู้นะอีกอย่างหนึง่งการลงมือปฏิบัติเนี่ยนะมันต้องฝืนนะฝืนความเคยชินฝืนสิ่งที่เราเคยทำมามันก็ยากลำบา ก, ก่อสมควรนะสำหรับคนที่เคยสุขสบายเคยอยู่อย่างสบายนะการฝึกเนี่ยมันต้องฝืนหน่อยมันต้องขัดเกลากัอนหนะปลาที่เป็นเนี่ย นะมันจะว่ายถวนน้ําจะปลาที่ตายมันจะว่ายตามน้ําเพราะฉะนั้นการฝึกการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตัวเองเนี่ยใหม่ๆมันต้องฝืนอย่างน้อยๆเนี่ยการมายกไม้ยกมือเนี่ยการมาเดินจงกรมเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยนะคนที่ยังไม่มีศรัทธาเต็มที่เนี่ยยังไม่กล้าที่จะยกหลักนะเพราะว่าอาจจะเออ สงสัยอยู่มันมันมันเป็นจริงไหมมันทำได้แล้วมันจะเกิดผลอะไรนะคนที่มีความเชิดมากก็จะเป็นแบบนี้นะตัวผมนี่จะมาเองสมัยก่อนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะมันเต้นไปได้อย่างไรมันต้องนั่งหลับตาที่มันต้องนั่งนิ่งๆสินวมันจะได้สงบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทิฏฐินะเป็นมานะทิฏฐินะซึ่งตรงนี้มันก็ทาให้เราไม่ไม่ลงมือที่จะทาสักที แลตรงนี้มันก็ทำให้เราเนื่นช้านะเป็นธรรมะที่ทำให้เนื่นช้าเพราะฉะนั้นเมื <c oughs> ่อเรามามีศรัทธานะก็ลงมือกระทำลงไปมีความเพียร น, นะใช้สตินะปักลงไปเหมือนกับประตักเหมือนกับผาที่เขาว่าตะ ก, กีนนะปักลงไปที่ในจิตในใจในความรู้สึกในอารมณ์นะตรงนี้เนี่ย มันก็จะประเชิญแล้วเราก็จะได้สัมผัสว่าไอ้กายใจของเราเนี่ยนะมันมีแต่ทุกข์แล้วมันก็มีการดับทุกข์ด้วยแต่มันไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวมันมีการดับทุกข์มีเกิดมีดับไม่ใช่มีเกิดอย่างเดียวหรือมีดับอย่างเดียวแต่ตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาการฝึกเนี่ยให้ทำอย่างต่อเ น, นื่องอย่าไปทาทาหยุดยุดเบื่อไม่ทาขยันก็ทา บืต้องทําขยันก็ต้องทำนะตรงนี้เราจะได้เห็นเลยว่าโอ้กายเนี่ยมันทุกข์เนาะมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันร้อนมันหนาวอยนะ่อันนี้เป็นส่วนของความทุกข์ของกายแก้ไขด้วยการบรรเทานะด้วยการเปลี่ยนอิเลียบทบ้างเนะด็ดเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวแล้วถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะทำความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ย มันจะเห็นใจคิดนึกเองเราไม่ต้องไปจ้องไปมองไปดูหรอกนะสติมันตื่นเดี๋ยวมันจะเห็นมันเห็นแล้วมันจะเป็นยังไงเอามันก็รู้เท่ารู้ทันนะทีความคิดมันก็จะไม่หลอกเราการที่เราสุขเราทุกเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้ทันความคิดไม่รู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปนะอูตลอดเวลา มันไเป็นธรรมชาติเป็นความจริงนะที่แสดงออกมาแต่การที่เราไม่เห็นเนี่ยเราก็พัดหลงนะเข้าไปเป็นผู้สุขไปเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้พอใจไม่พอใจแต่ถ้าเราเจริญสตินะเรามามองดูนะเราก็จะไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ไม่หลงเข้าไปในความคิดกระแสของอารมณ์หรือความคิดก็เปรียบเทียบเหมือนกระแสน้า การที่เราไม่รู้เราไม่เห็นเนี่ยเหมือนเราตกไปอยู่ในกระแสะน้ำก็จะไหลไปตามกระแสะน้ำนั่นแหละไหลไปตามกระแสะอารมณ์และความคิดที่มันจะพาไปนะก็ทำให้เราจิตใจของเราฟูฟูแ ฟ, ฟบแ ฟ, บฟบเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจนะอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำกรรมฐานจเจริญสติเนี่ยมันเรา <c oughs> ขั้นมาอยู่บนฝั่งนะมองเห็น กระแสอารมณ์กระแสความคิดที่มันไหลเลื่อยไปนะแต่เราไม่ตามมันมันไหลเลื่อยไปก็ผ่านไปผ่านไปนะเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เรื่อยๆแนะตรง น, นี้เนะ่เราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตะ่ที่เรียกว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละนะที่เราได้สวดมนต์สาธยายมนต์กันอยู่ทุกวัน อันนั้นเป็นเรื่องของการจดการจําแต่ถ้าเราเจริญสติเราจะเห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยนะแรกๆเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรภาษามันคืออะไรไม่ต้องไปรู้ภาษาก็ได้แต่รู้ว่ามันมันผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปถ้าเราไปหน่วงเหนียวเอาไว้นะมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาความจริงมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะความสุขเนี่ยเราไม่สามารถจะไปหน่วงเหนียวมันได้นะเดี๋ยวผ่านมาก็ผ่านไป ความทุกข์เหมือนกันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะบางคนมีความทุกข์ไม่อยากจะให้มันออกไปนะยิ่งไปอยากให้มันออกมันก็ไม่ไปนะความสุขในอยากให้มันอยู่กับเราตลอดนะมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานะมันก็เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้มันก็ทาให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบงการไปบังคับบัญชาอะไรได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสาคัญ เพราะฉะนั้นการที่เรามาร่วมกันนะประพัติปฏิบัติเนี่ยนะพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราเนี่ยมาทำนานะครั้งหนึ่งนะพุทธองค์ได้เสด็จไปที่นาของพราหมณ์คนหนึ่งนะก็ท่านเล็งยานแล้วว่าพราหมณ์คนเนี้ยนะจะเป็นคนที่สามารถเข้าใจธรรมะได้นะท่านก็เดินไปแล้วในช้าวันหนึ่งนะไป บินตาบาทนะ่ะก็จะเรียกว่าไปบินตาบาทข้าวนะที่ <c oughs> ชาวนาเนี่ยเขากําลังทําพิธีนะเขาเรียกว่าพิธีเหมือนตอนจะเริ่มปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะทําพิธีมีการเฉลิมฉลองกันนะ <c oughs> ชาวนาคนนี้ก็เลยต่อว่าพระพุทธองค์ว่าไม่รู้จักทำมาหากินบ้างไม่รู้จักทํานาบ้างเนะี่ยมาขอเขากินได้อย่างไงนะพระพุทธองค์ก็บอกว่า ตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าท่านไม่ไม่ได้ทำอะไรท่านก็ทำเหมือนกันนะทำนาเหมือนกันนะนะพรามเขก็ถามว่านั้นไหนอะทำยังไงไหนไมันมีเครื่องมืออะไรบานะรา้างพระโตองก็บอกวันนี้ไง้นะเรามีความศรัทธานะเป็นพื้นนามีความเพียร น, นะเป็นน้ำฝนอนะที่ประพรมลงมานะมีสติมีปัญญานะแล้วก็มี สมาธิเป็นเชือกนะมีปัญญาเป็นแอกนะเป็นคันไถนะมีสติเป็นประตักและผลานะมีความสำรมรวมในตาหูจมูกลิ้นการใจที่เรียกว่าสํรุมอินทรียนะ์มีการประมาณในการบริโภคนะการทำนาของพระองค์นั้นนะเป็นไปเพื่อนะให้ได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นอมตนะนะก็คือ เนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายนะซึ่งเป็นนาที่พุทธองค์ได้ทําเพราะฉะนั้น <c oughs> การที่เรามาบทเรียนก็ดีนะมาบทฝึกปฏิบัติก็ดีนะหรือการที่เรามาอยู่วัดก็ดีไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะนะเราก็ทํานะการเรามาพุทธปฏิบัติก็เหมือนชาวนาทนํานาเหมือนกันแต่แต่ว่าเราไม่ได้ทํานาที่พื้นดินนาะเราทํานาในจิตในใจของเรา การเจริญสตินี่แหละก็คือการที่เรามาทำน า, นาแบบพระพุทธเจา้าซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็แต่ถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะเรามาอยู่เฉยๆเรามากินมานอ น, นามาาเพื่อนคุยมาเที่ยวมาเล่นนะตรงนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำนะเรียกว่าก็จะถูกพรามเขาต่อว่าได้ว่าบวชมามาอยู่วัดไม่ได้ทาอะไรเลยกินกินมนอน นะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาต้องนี้เอาได้แต่ถ้าเรามาประพฤติธปฏิบัตินะมาปฏิบัติตนเองทํากิจวัตรนะที่ควรทําอาจจะเป็นการบินด่บาตก็ดีการช่วยงานส่วนรวมเป็นบางเวลาก็ดีการช่วยครัวก็ดีและเวลาว่างที่เหลือเราก็ใช้เวลาเพื่อการประพฤติธปฏิบัติการเจริญสตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสุขโตเรามีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะนั้นเวลาว่างที่มีอยู่เนี่ย เดี๋ยวเราอย่าให้มันเสียโอกาสไปเราอย่าไปเห็นแค่ความสะดวกสบายนะตอนบ่ายๆก็เอาแต่นอนนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องเสียหน่าเสียดายมากมันมีธรรมะหมดหนึ่งนะที่ทําให้เขาเรียกว่าธรรมะที่ทําให้เสื่อมมันะมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดข้อนะข้อแรกก็คือเป็นผู้ยินดีในการทํางานมากคํามาทํางานนที่นี้ก็คือมัวทํางานอยู่ นะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้เจริญสตินะแต่บางคนก็บอกเอา้าการทํางานก็การปฏิบัติทำนะอันนั้นก็คือคนที่เขาเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่บทใหม่ก็ดีคนที่เพิ่งเริ่มตนใหม่ก็ดนะีงานการนี้ก็ควรทำํำแต่ว่าอย่าไปทําจนนับหมกวันไปเลยนะจะเป็นงานอะไรต่างๆก็ดีนะก็แบ่งเวลาให้พอเหมานะพอดีข้อที่สองก็คือ เป็นผู้ยินดีในการพูดคุยนะการพูดคุยเนี่ยมันทําให้เกิดความฟุ้งซ่านได้แล้วยิ่งจะคุยกันเนี่ยยิ่งจะคุยกันถูกคอมันคุยกันได้ทั้งวันเลยนะตรงนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้มีโอกาสนะในการที่จะฝึกปฏิบัติตนเองนะข้อที่สามก็คือยินดีในการคุยทีกับหมู่คณะนะตรงนี้เนี่ยการมาอยู่วัด ปาสุกตโตเนี่ยนะถ้าเราพยายามปลีกวิเวกอยู่ด้วยตัวเราเองเราจะได้เผชิญกับตัวเราเองได้เรียนรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยตัวเราเองนตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้เรียนรู้ธรรมะอย่างตรงไปตรงมามาโดยไม่ต้องผ่านหนังสือนะไม่ต้องผ่านตำรับตําราเพราะว่ากายใจเนี่ยแหละคือตำรับตําราที่แท้จริงตอนนั้นพยายามพูดคุยน้อยคุกกยกันให้ น้อยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนันะนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งนะที่ทำให้เสื่อมการไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะก็คือกินอิ่มมากเกินไปกินน้อยเกินไปอิ่มมากเนี่ยก็ทำให้ย่่งเหงาเอานอนนะ้าน้อยเกินไปก็ไม่พออันะนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งการไม่สำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง รถป่าสุขตอนี่มีคนเข้าคนออกเยอะนะบางคนก็แต่งตัวเรียบร้อยบางคนก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรืออย่างบางทีเราไปบินบาตรนะเราไม่สำรวมอินทรีย์บางทีเราก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงนะบางทีก็หวั่นไหวไปกับการแต่งกายของคนที่เขาใส่บาตรโดยเฉพาะสภาพสตรีเนะนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความสำรวมอันะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ และนี่เป็นนรรมะที่ทำให้เกิดความเสื่อมได้นะเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็อยากจะฝากกันเอาไว้ความตั้งใจเดิมของเราเรามีความศรัทธานะที่มาวัดป่าสุขโตตั้งใจจะมาฝึกฝนมาปฏิบัติก็ขอให้เราได้ปฏิบัติกันจริงๆนะมีเวลาที่เหลืออยู่นะเหมือนกับมีคำกล่าวเ็าบอกว่าบางคนเนี่ยนะมืดมาก็มืดไปคําว่ามืดในที่นี้ก็คือว่า มาโดยไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเขาชวนหรือคนโน้นคนนี้นนเขาชวนนะไม่ได้มีศรัทธาอะไรเท่าไหร่หรอกก็ไม่ได้ปฏิบัติก็มากินกินนอนนอนหาเห ต, ตุตรงนน้นตรงนี้ไม่มาประพฤติปฏิบัติพอออกพรรษาก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็เรียกว่ามืดมาก็มืดไปแต่บางคนนี่มืดมาสว่างไปนะฮนี้บางคนนี้ก็คือไม่ได้มีศรัทธามีอะไรแต่มาอยู่ที่วัดเอ้อเห็นรูปแบบการปฏิบัติตั้งใจลองดูซิเป็นยังไง ก็ได้ความรู้ติดตัวไปนะได้สติกลับไปออกปรรษาก็มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปบางคนมีสว่างมามืดไปนะมีความศรัทธามีความเลื่อมใสนะเห็นมัป่าสุขโ ต, โตดีอย่างนั้นอย่างนี้มีครูบาอาจารยนะ์น่าสนใจนะแต่พอมาถึงแล้วนะก็สู้กิเลสของตัวเองไม่ได้นะสู้ความสะดวกสบายไม่ได้ก็กินกิน น, น, นอนนออยู่ไปวันๆอย่างนั้นเอง นะไม่ได้ประพฤติธปฏิบัติเขาเรียกว่าสว่างมามืดไปอันสุดท้ายเขาเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปนันะนี้ก็คือว่ามีความศรัทธามีความเรื่องใสลนะพยายามตั้งใจเรียนรู้นะแล้วก็ประพฤติธปฏิบัติลองผิดลองถูกได้ประสบการณ์ติดเมตติตัวกลับไปนะคนสี่จสี่ประเภทเนี่ยให้เราเลือกว่าเราจะเป็นประเภทไหนมืดมามืดไป มืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปหรือสว่างมาสว่างไป น, น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นนในตอนท้ายเพราะฉะนั้นการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยให้เป็นวันคืนนะแง่การฝึกฝนกัดเกลาตัวเองเป็นวันคืนที่จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงาม่าไปในทางที่เป็นการออกจากทุกนะเพื่อที่จะได้พบกับสันติสุข ที่มีอยู่แล้วภายในจิตในใจของเราถ้าเราสัมผัสกับสันติสุขคือความเป็นปกติของใจได้เมื่อไรเ่ น, นั้นนะ่ะเราจะพบกับที่พึ่งหนาที่แท้จริงหนาที่ไม่ต้องไปอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกมากจนเกินไปหนาในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตรนไตรยนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตืนผู้เบิกบานนาก็คือ สติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระตามคือเศจษฐธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาอยู่ทุกหน้าเชื่อวันพระสองก็คือการประพฤติปฏิบัตนะิในทำนองครองธรรมโดยเฉพาะการที่ให้เราเจริญด้วยสติศีลนะ ส, สมาธิและปัญญานะมีความเพียรมีความพยายามมีความศรัทธานะก็ขอให้ สิ่งเหล่านี้น่าเป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้เข้าถึงซึ่งความสุขเกษมสารความเป็นนมตะเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายที่พระธองค์ได้ถากถางให้เราเดินตามต่อไปใ น, นวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร